6. ปริยุทธานังจิตตวิปยุตันเตกถาว่าด้วยปริยุทธานกิเลสวิปยุตจากจิต7จ็สกปริยุทธานักกิเลสวิปยุตจากจิตใช่ไหมปรใช่สก ปริยุทธานกิเลสเป็นรูปเป็นนิพานเป็นจักขายตนะเป็นโผพธพายตนะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปริยุทธานกิเลสวิปยุจจากจิตใช่ไหมปอรอใช่สกจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเป็นอกุศลจิตเศ้ามองไม่มีใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก จิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเป็นอกุศลจิตเศร้ามองมีอยู่ไม่ใช่หรือป ร, อรอใช่สกหากจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะจิตเป็นอกุศลจิตเศร้ามองมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าปริยุทธานกิเลสวิปยุทธจากจิตปริยุทธานังจิตตะวิปยุทธตันเติกถาจบ 7. ปริยาป น, นกถา ว่าด้วยทำที่นับเนื่องวัตทุเจ็ดร้อยสามสกรูปปาราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุใช่ไหมปรใช่สกรู ป, ปราคะเป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติเป็นเครื่องแสวงหาอุบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรคตเกิดร่วมรคนสัมปยุตเกิดพร้อมกันดับพร้อมกัน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 ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุสกรูปปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุใช่ไหมปรใช่สกสัทธาคะนอนเนื่องอยู่ในสัทธาธาตุนับเนื่องในสัทธาธาตุใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุ นับหนึ่งในรูปธาตุใช่ไหมปรใช่สกคันธราคะรสราคะโพธภราคะนอนเนื <im> <tells> ่องอยู่ในโพธภธาตันับเนึ่งในโพธภธาตัใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัทธราคะนอนเนื่องอยู่ในสัทธาตัดแต่ท่านไม่ยอมรับว่านับหนึ่งในสัทธาตัใช่ไหมปรใช่สก รูปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุแต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในรูปธาตุใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคันธาตุราคะรัศราคะโพธพะราคะนอนเนื่องอยู่ในโพธพะธาตุแต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในโพธพะธาตุใช่ไหมปรใช่สกรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุแต่ท่านไม่ยอมรับว่า นับเนื่องในรูปปัทธาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ร้อยสี่สกอรู ป, ป ร, ราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปปธาตนับเนื่องในอรูปปธาตใช่ไหมปรใช่สกอรูปราคะเป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติเป็นเครื่องแสวงหาอุบัติเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสหรคตเกิดร่วมรัคนสัมปยุต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 มีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตดวงที่ไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่ใช่หรือปรใช่สกหากอรูปราคะไม่เป็นเครื่องแสวงหาสมาบัติไม่เป็นเครื่องแสวงหาอุบัติมีอารมณ์อย่างเดียวกันท่านก็ไม่ยอมรับว่าอรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุสกอรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาตุ นับเนื่องในอรูปธาตุใช่ไหมปรใช่สกสัททราคะนอนเนื่องอยู่ในสัทธาตุนับเนื่องในสัทธาตุใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุใช่ไหมปรใช่สกคันธราคะรสราคะโพธภราคะนอนเนื่องอยู่ในโพธภธาตุ นับหนึ่งในโพธพัทธาใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัทธราคะนอนเนื่องอยู่ในสัทธาติแต่ท่านไม่ยอมรับว่านับหนึงในสัทธาติใช่ไหมปรใช่สกอรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาติแต่ท่านไม่ยอมรับว่านับหนึ่งในอรูปธาติใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกครันธราคะ ระสาราคะโพธพาราคะนอนเนื่องอยู่ในโพธพธาตุแต่ท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในโพธพธาตุใช่ไหมปอรใชัยสกอรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาตุแต่าาท่านไม่ยอมรับว่านับเนื่องในอรูปธาตุใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจร้อยหปอรรท่านไม่ยอมรับว่า รูปราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุอรูปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุใช่ไหมสกใช่ปรรกามราคะนอนเนื่องอยู่ในกรรมธาตุนับเนื่องในกรรมธาตุไม่ใช่หรือสกใช่ปรรหากกามราคะนอนเนื่องอยู่ในกรรมธาตุนับเนื่องในกรรมธาตุดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่ารูปปาราคะนอนเนื่องอยู่ในรูปธาตุนับเนื่องในรูปธาตุอรู ป, ปราคะนอนเนื่องอยู่ในอรูปธาตุนับเนื่องในอรูปธาตุปริยาป น, นักถาจบ 8. อัพยากตะถาว่าด้วยอัพยากฤตเจร้อยกสอกทิฐิเป็นอภยากฤตใช่ไหมปรอใช่สอกอ ทิฏฐิเป็นอัพยากรฝ่ยายวิบากเป็นอัพยากรฝ่ายกริยาเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโผฏฐายตนะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทิฏฐิเป็นอัพยากฤิ party, ใช่ไหมปรใช่สกภาษาที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ทิฏฐิเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรใช่สกเวทนาที่ส <Cathy> ัมปยุท um ธ์ด้วยทิฏฐิสัญญาเจตนาจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิเป็นอภยากฤิใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกภาษาที่สัมปยุทธ์ด้วยทิฏฐิเป็นอคุสลใช่ไหมปรใช่สกทิฏฐิเป็นอกุสลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก เวทนาที่สัพมพยุด้วยทิฏฐิสัญญาเจตนาจิตที่สัพมพยุด้วยทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปอรใช่สกทิฏฐิเป็นอกุศลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ 7, ร้อยเจ็ดสกทิฏฐิเป็นอพยากฤิตใช่ไหมปอรอใช่สกทิฏฐิไม่มีผลไม่มีวิบากใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกทิฐิมีผลมีวิบากมิใช่หรือป ร, รใช่สกหากทิฐิมีผลมีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทิฐิเป็นอัพยกฤิตสกทิฐิเป็นอัพยกฤิตใช่ไหมป ร, รใช่สกโทษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีมิชชาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งมิใช่หรือป ร, รใช่สก หาโทษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยกฤิตสกอทิฏฐิเป็นอัพยกฤิตใช่ไหมปอรใช่สกอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวัชะมิจฉาทิฏฐิแลเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐิเป็นกุศลมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรใช่ สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยากฤตทธิสกทิฏฐิเป็นอัพยากฤิใช่ไหมปอรอใช่สกเพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปุญณนะเรากล่าวว่าคติของคนผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์ยรชาณมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปอรอใช่สก ดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าทิฐิเป็นอัพยกฤิตเจร้อยแปดปรท่านไม่ยอมรับว่าทิฐิเป็นอัพยกฤิตใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวัชชะคำว่าโลกเที่ยงนี้เราไม่พยากรณ์คำว่าโลกไม่เที่ยงนี้เราไม่พยากรณ์คำว่าโลกมีที่สุด คำว wow. ่าโลกไม่มีที่สุดคำว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันคำว่าช um ีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เก so oh hmm ิดอีกคำว่าหลังจากตายไปตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ นี้เราไม่พยากรณมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นทิฐิจึงเป็นอัพยากฤิตสอกอทิฐิเป็นอัพยากฤิตใช่ไหมปรใช่สอกอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสตุทั้งหลายกายกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฐิ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 สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าทิฏฐิเป็นอัพยกฤิตอพยกะตะกะถาจบ9อปริยาปนักถาว่าด้วยธรรมที่ไม่นับเนื่องในโลเคีย799สกทิฏฐิเป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องใช่ไหมปรใช่สกทิฏฐิเป็นมรผลนิพพานโสดาปฏิมร โสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมักอรหัตตผลสติปทานสั ม, มปทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโภชงใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ด้อยสี่ปอรอท่านไม่ยอมรับว่าทิฐิเป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องใช่ไหมสอกอใช่ ปรปุทุชนท่านยอมรับว่าปราศจากความกำหนัดในการมทั้งหลายใช่ไหมสกใช่ปอรอท่านยอมรับว่าปราศจากทิฏฐิใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรอดังนั้นทิฏฐิจึงเป็นธรรมที่ไม่นับเนื่องอปิริยาปัณปถาจบจุดทัศมวัชจบรวมคะถาที่มีในวัชนี้คือ 1. กุศลากุศลปฏิสันทหนานักถาสองสลาญตนุปปติขขาสอนันตรปจิยะถาสอริยรูปกถาหอัญโยอนุสัยโยติกถา 6. ปริยุทธาหนังจิตตวิปยุตตันเตขขาเจ็ปริยาปันักถา 8. ปดอภยากตะขาเก้า 9. อปริยาปันักถา สิบห้าปัณ น, นรสมาวัคหนึ่งปัจจยะตาคาถาว่าด้วยความเป็นปัจัจเจ็ดร้อยสิบเอ็ดสอ่อความเป็นปัจจัยมีจำกัดไว้ใช่ไหมปอรอใช่ สกวิมังสาเป็นเหตุและเป็นอธิปดีไม่ใช่หรือปรใช่สกหากวิมังสาเป็นเหตุและเป็นอธิปดีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยสกชั้นทาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมไม่ใช่หรือปรใช่สก หากฉันทาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าฉันทาธิปดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจใจเจ็ดร้อยสิบสองสกวิริยาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมไม่ใช่หรือปรใช่สกหากวิริยาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมดังนั้น ท่านจึงควรยอมรับว่าวิริยาธิปดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยสกวิริยาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์มิใช่หรือปรอใช่สกหาวิริยาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า วิริยาธิปดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินสียะปัจจัยสกวิริยาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งชาตาธรรมและเป็นองค์แห่งมรรคมิใช่หรือปรใช่สกหากวิริยาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งชาชาตธรรมและเป็นองค์แห่งมรรคดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิริยาธิปดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัย เป็นปัจจัยโดยมัคคปัจจัยเจ็้อยสบสามกจิตตาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมม่ใช่หรือปอรอใช่สกหากจิตตาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตตาธิปดีเป็นปัจจัยโดยอธิปฏิปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตะปัจจัยสก จิตตาทิปปีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตรธรรมและเป็นอาหารมิใช่หรือปรอใช่สกหากจิตตาธิปดีเป็นอธ e ิปดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอาหารดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตตาธิปดีเป็นปัจจยัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจยัยสกจิตตาธิปปีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตรธรรมและเป็นอินทรีย์มิใช่หรือ ปรอใช่สกหากจิตตาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าจิตตาธิบดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยเจ็ดร้ส่สกวิมังสาธิบดีเป็นอธิบดีแห่งสหชาตธรรมไม่ใช่หรือปรอใช่สก หากวิมังสาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิมังสาธิปดีเป็นปัจใจโดยอธิปฏิปัจใจ य, เป็นปัจใจโดยสหชาตปัจจใจสกวิมังสาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์ไม่ใช่หรือปรใช่สกหากวิมังสาธิปดีเป็นอธิปดีแห่งสหชาตธรรมและเป็นอินทรีย์ ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวิม curiosity.. ังสาธิปดีเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทิยปัจจัยสกอวิมังสาธิปดีเป็นอธิปปีแห่งสหชาตธรรมและเป็นองค์แห่งมรรคมิใช่หรือปรรใช่สกหากวิมังสาธิปดีเป็นอธิปปีแห่งสหชาตธรรมและเป็นองค์แห่งมรรคดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า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 ดังนั้นท่าน จ, จึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมที่เป็นเครื่องพิจารณาเป็นปัจจัยโดยอธิ ป, ปติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอารมณปัจจัยเจ็ดร้อยสิบหกสกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลหลังๆและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลนั้นเป็นอาศัวณะมิใช่หรือปรอใช่สก หากสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลหลังๆและ ส, สภาวะธรรมที่เป็นกุศลนั้นเป็นอาเสวณะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวณะปัจัจสกสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก่อนๆเป็นปัจัยโดยอนันตระปัจัย แกสภาวธรรมที่เป็นอกุศลหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอเสวะณะมิใช่หรือปรใช่สกหากสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก่อนๆเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแกสภาวธรรมที่เป็นอกุศลหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอเสวะณะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก่อนๆ เป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเสวณปัจัจสกสภาวธรรมที่เป็นกริยาอภยากฤิตรก่อนเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแต่สภาวธรรมที่เป็นกริยาอภยากลิตหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นกริยาอภยากฤิตนั้นเป็นอาศวณัมิใช่หรือปรใช่สกหากสภาวธรรมที่เป็นกริยาอพยากลิตก่อน เป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกริยาอัพยากลหลังหลังๆและสภาวธรรมที่เป็นกริยาอพยากฤินั้นเป็นอาเศวณนะดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกริยาอัภยากฤิเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาเศวณะปัจจัยเจ็ด้อยสบเจดปรท่านไม่ยอมรับว่าความเป็นปัจจัยมีจากัดไว้ใช่ไหม สกใช่ปรเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยโดยอารมณะปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยก็ได้เป็นปัจจัยโดยสมะนันตระปัจจัยก็ได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าความเป็นปัจจัยมีจากัดไว้ปัจยตากถาจบสอง อัญญมัญญปัจจยกถาว่าด้วยอัญญมัญญปัจใจเจร้อยสิบ huh. แปดสกเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีแต่ท่านไม่ยอมรับว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีใช่ไหมปรใช่สกอวิชชาเกิดพร้อมกับสังขารนี่ใช่หรือปรใช่สกหากอวิชชาเกิดพร้อมกับสังขาร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 หากตัณหาเกิดพร้อมกับอุปาทานดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเจ็ดร้อยสิบเก้าปรพระสูตรที่ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะชะรามรณะเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาเป็นปัจจัยภพจึงมีมีอยู่หรือสอกอไม่มีปรดังนั้น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 การเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกเป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกการที่เป็นอดีตเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมปรใช่สกเป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 การที่เป็นอดีตมีห้าอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรใช่สกการที่เป็นอนาคตมีห้าอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหม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 สกอายุนาสิองที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตอายตทนาสิองที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตอายตทยนาสิองที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกการมี36อย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกท่าสิบแที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตท่าสิบแที่เป็นอนาคต เป็นการที่เป็นอนาคตถ้าสิบแปดที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรใช่สกการมีห้าสิบสีอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอินรีย์22ที่เป็นอดีตเป็นการที่เป็นอดีตอินรียี2ที่เป็นอนาคตเป็นการที่เป็นอนาคตอินรีย์22ที่เป็นปัจจุบันเป็นการที่เป็นปัจจุบันใช่ไหม ปรใช่สกการมีหกสิบหกอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้อยยี่สิเอ็ดปรท่านไม่ยอมรับว่าการเป็นสภาวะสำเร็จแล้วใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกระทาวัตถุสามประการนี้กระทาวัตถุสามประการอะไรบ้างคือ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 สกเป็นรูปใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็รอยยี่สิบสามปรท่านไยอมรับว่าโมหะ ต, ตะหนึ่งเป็นสภาวะสเร็จแล้วใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย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 มีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นขณะหนึ่งจึงเป็นสภาวะสำเร็จแล้วขณะระยะมุขตดตะถาจบห้าอาสวะกถาว่าด้วยอาสวะเจ็ดร้อยยี่สิบสี่สกอาสวะสีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมปรใช่สกเป็นมัก ผลนิพพานโสดาปติมักโสดาปติผลโพ่อชงใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นเจ็ดร้อยยี่สห้าปอรอท่านไม่ยอมรับว่าอาสวะสีไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะใช่ไหมสกใช่ปอรออาสวะเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของอาสวะด้วยอาสวะเหล่าใดอาสวะเหล่านั้นมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ออดังนั้นอาสวะสี่จึงไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะกระถาจบ